การที่พวกเรามาฟังเทศฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอก็เพราะว่าพวกเราไม่ได้เป็นพวกไก่ได้พลอยนั่นเองไม่ได้เป็นพวกทัพพีในหม้อกแกงถ้าเป็นพวกไก่ได้พลอย ก็จะไม่เห็นคุณค่าของพลอยถ้าเป็นพวกทัพพีในหม้อแกงก็จะไม่เล่ลิ้มรสของแกงจะไม่ทราบว่ารสของแกงนั้น อ, ร, อร่อยเพียงไรแต่พวกเราเป็นพวกที่เห็นคุณค่าของเพชรของพลอยพวกเราเป็นพวกที่มีลิ้นได้สัมผัสกับรสของแกง เราจึงรู้ว่าแกงที่เราได้สัมผัสนั้นอร่อยอร่อยมากน้อยเพียงไรนี่คือสาเหตุที่ทําให้พวกเรามาเข้าหาพระรัตนตรัยกันหาเพชรของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะนี่คือเพชร เพชรน้ำเอกไม่มีเพชรอันใดในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่ากับเพชรของพระรัตนตรยัยคือของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเราเห็นคุณค่าเราจึงไม่เขียยทิ้งเหมือนกับไก่ที่ไม่เห็นคุณค่าของเพชรของพลอยจะหาแต่ไส้เดือนมารับประทานเท่านั้น หรือพวกทัพพีในหม้ อ, อกแกงก็ไม่รู้จักรสของแกงว่ามีคุณค่าอย่างไรพวกเราหลังจากที่ได้มาได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วพอได้นำเอาไปปฏิบัติก็ได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติทำให้เรา มีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปเราจึงเห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถ ที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หายไปให้หมดไปได้มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปเราจึงมีความยินดีในธรรมมีความชื่นชมยินดีในธรรม เราจึงเข้าหาธรรมกันเข้าหากันอย่างต่อเนื่องเข้าหากันอย่างสม่ำเสมอเพราะการที่เราจะได้ธรรมขึ้นมาเป็นสมบัติของเราก็เป็นเหมือนกับการทําการไปทำมาหากินนั่นแหะถ้าเราต้องการเงินต้องการทองเราก็ต้องไปทำมาหากินเราถึงจะได้ เงินเดือนได้เงินได้ทองมาเป็นผลตอบแทนฉันใดถ้าเราต้องการทำอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าทำอันประเสริฐที่พระอาหารหันตาสาวกได้รับกันเราก็ต้องขวนขวายเราก็ต้องมีความยินดีที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้แก่การสร้างธรรมขึ้นมา ถ้าเราไม่มีความยินดีไม่มีการทุ่มเททำที่ประเสริฐนี้ก็จะไม่เป็นสมบัติของเราได้ดังนั้นการที่เราหมั่นเข้าหาทำอยู่เรื่อยหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยและนำเอาไปปฏิบัติอยู่เรื่อยเป็นวิธีการที่จะทำให้เราได้สัมผัสกับรสแห่งธรรม ที่ชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมนี้จะต้องเกิดจากการปฏิบัติการฟังเทศฟังธรรมนั้นเป็นเพียงการศึกษาวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดรถแห่งธรรมขึ้นมาเหมือนกับการศึกษาวิธีประกอบอาหารถ้าเราไม่รู้จักวิธีประกอบอาหารถ้าเราไปทำอาหาร เราก็จะไม่สามารถทำอาหารที่มีรสชาติอร่อยอร่อยที่น่ารับประทานได้แต่ถ้าเราได้ไปศึกษาจากผู้รู้วิธีการประกอบอาหารที่มีรสชาติอร่อยอร่อยพอเรารู้แล้วเรานำเอามาประกอบอาหารเราก็จะสามารถได้อาหารที่อร่อยอร่อยไว้รับประทาน ธรรมะนี้ก็เป็นเหมือนอาหารของใจการที่เราต้องไปหาผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวกก็เพราะว่าเราไม่รู้วิธีประกอบอาหารของใจนี้เองเราจึงต้องศึกษาทำเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือจากพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ดี เพราะถ้าเราไปศึกษากับผู้ที่ไม่รู้เราก็จะไม่สามารถที่จะประกอบอาหารของใจคือสร้างธรรมขึ้นมาภายในใจได้เราจึงต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนผู้ชี้แนะแนวทางของการสร้างธรรมขึ้นมาภายใน ใ, นใจ การฟังเทศฟังธรรมนี้ก็ฟังเพื่อที่เราจะได้รู้จากวิธีสร้างรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้ให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจของพวกเราถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะไม่สามารถสร้างรถแห่งธรรมขึ้นมาภายในใจของพวกเราได้หรือว่าถ้าเราปฏิบัติโดยไม่ศึกษา วิธีที่ถูกต้องเราก็จะไม่สามารถสร้างทมที่ประเสริฐนี้ขึ้นมาภายในใจของเราได้เช่นเดียวกันยังมีความจ ำ, จำเป็นที่จะต้องศึกษาจากผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายแล้วหลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามที่เราได้ศึกษามา เมื่อเราได้ศึกษาวิธีที่ถูกต้องและนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องผลอันเลิศอันประเสริฐก็จะปรากฏขึ้นมานี่คือเหตุที่ทำให้เราเข้ามาวาัดกันมาฟังเทศฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันเพราะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ สร้างทำขึ้นมาภายในใจของพวกเราถ้าเราพยายามศึกษาไปอย่างต่อเนื่องและพยายามปฏิบัติไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับนะตามลำดับของเหตุคือการกระทําของเราของการประพฤติของเราทมที่ท่านทรงสอนให้เราปฏิบัติก็สอนให้เป็นขั้นๆไป เพราะทำแต่ละขั้นนี้จะสนับสนุนทำที่สูงขึ้นไปนั่นเองเหมือนกับการเรียนหนังสือเราก็ต้องเรียนจากขั้นต่ำขึ้นไปสู่ขั้นสูงเพราะขั้นต่ำนี้ก็จะสนับสนุนความรู้ที่สูงขึ้นไปตามลาดับจนไปถึงความรู้ขั้นสูงสุดเป็นเหมือนขั้นบันได เวลาขึ้นบันไดเราก็ต้องขึ้นจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สองสู่ขั้นที่สามขั้นที่สี่ขึ้นไปตามลำดับจนไปถึงขั้นสูงสุดทมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราบำเพ็ญให้พวกเราปฏิบัติก็เป็นแบบนั้นเป็นธรรมที่ปฏิบัติเป็นขั้นขั้นไป ขั้นแรกนี้จะเป็นขั้นที่ง่ายกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองก็จะง่ายกว่าขั้นที่สามขั้นที่สามก็จะง่ายกว่าขั้นที่สี่ถ้าเราไปเริ่มต้นที่ขั้นที่สี่เลยนี้เราก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้หรือปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบไม่ได้ผลฉะนั้นขอเวลาที่เราได้ศึกษาแล้วว่า เราต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเราก็ควรที่จะปฏิบัติไปเป็นขั้นขั้นไปขั้นที่หนึ่งท่านก็ทรงสอนให้เราทำทานให้เราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้เป็นเหมือนกับสมอเรือเรือนี้ถ้าจะวิ่งไปไหนมาไหนได้ต้องถอนสมอก่อน ถ้าไม่ถอนสมอก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้เงินทองนี้ก็เป็นเหมือนสมอที่คอยดึงใจไว้ไม่ให้ก้าวเข้าสู่ทำอันเลิศอันประเสริญนั่นเองเราจึงต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปถ้าเราอยากจะได้ทำเราต้องสละทรัพย์ ถ้าเราไม่สละทรัพย์เราก็จะติดอยู่กับการดูแลรักษาทรัพย์ติดอยู่กับการหาทรัพย์ติดอยู่กับการใช้ทรัพย์นเราอาศัยทรัพย์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเวลาที่เราอยากจะได้ความสุขเราก็ใช้ทรัพย์นี้ไปซื้อมาเช่นเราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราไปดูมหรสพบันเทิงอะไรต่างๆ เราก็ต้องใช้ทรัพย์พอเราได้ไปเราก็มีความสุขกันแต่มันเป็นความสุขปลอมเท่านั้นเองเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ได้ในขณะที่ได้สัมผัสกับสิ่งที่เราไปดูไปฟังแต่พอเรากลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นมันก็หายไปเหลืออยู่แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย เหลืออยู่แต่ความอยากที่อยากจะไปหาความสุขแบบนั้นอีกถ้าเราไม่ได้ออกไปหาเราก็จะมีความรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจมีความไม่สบายใจขึ้นมาเราจึงต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆแล้วเราก็ต้องใช้เงินทองในการที่จะหาความสุขเหล่านี้ มันจึงทำให้เราไม่สามารถที่จะไปาหาความสุขทางธรรมได้ความสุขทางธรรมนี้จะต้องเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการทำใจให้สงบทีท่เรียกว่าสมาธิและเกิดจากการมีปัญญาคือความรู้ความเห็นที่ถูกต้อง การที่เราจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาได้เราต้องมีเวลาไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันแต่ถ้าเรายังต้องมาหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้ใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันได้ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะ ปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นไปคือขั้นศีลขั้นสมาธิและขั้นปัญญาตามลำดับก็จำเป็นจะต้องทำทานคือต้องเสียสละทรัพ ส, สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเลิกใช้เงินใช้ทองเลิกหาเงินหาทองอย่างพวกที่ไปบวชกันนี่เป็นพวกที่ เสียสระทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดไม่เก็บเอาไว้ไม่พึ่งเงินพึ่งทองไม่หาเงินหาทองเอาเวลามาหาศีลหาสมาธิมาหาปัญญากันเพราะศีลสมาธิปัญญาจะทำให้เกิดลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงก็คือลดของความสงบของใจนี้เอง จะเกิดขึ้นได้จากการที่เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาแล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบหลังจากที่ใจสงบแล้วเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ใช้ปัญญาคอยรักษาคอยป้องกันความสงบคอยทำลายสิ่งที่จะมาทำลายความสงบของใจก็คือกิเลสตัณหาต่างๆนั่นเอง นี่คือทำที่เราจะต้องปฏิบัติกันเป็นขั้นขั้นไปขั้นแรกเราจึงต้องมาหัดทำทานกันมาหัดเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ตอนต้นเรายังอาจจะไม่สามารถที่จะสสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองให้หมดไปเลยเราก็เอามาแบ่ง ไปที่เราเล็กเทือน้อยก่อนตามกําลังของเราด้วยการหยุดการใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเช่นถ้าเราช่วงปิดวันวันหยุดสามวันนี้เราเคอยไปเที่ยวกันแต่หลังจากที่เราได้มาศึกษาได้มาฟังเทศฟังธรรมเราทราบว่าการไปเที่ยวนี้มันเป็นการไปซื้อความสุขปลอมกัน แล้วก็เป็นการซื้อความทุกข์มาเพราะหลังจากที่เราได้ความสุขตอมาแล้วพอมันหมดไปความทุกข์ก็จะตามมาความทุกข์ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้ความทุกข์ที่จะต้องบังคับให้เราออกไปเที่ยวกันใหม่พอเรารู้ว่าการใช้เงินแบบนี้มันเป็นโทษแก่จิตใจเป็นการ ซื้อความทุกข์ให้กับจิตใจไม่ได้เป็นการซื้อความสุขเราก็เลยเอามาทําบุญทําทานเพราะการทําบุญทําทานนี้จะเป็นการทําให้จิตใจของเรามีความสุขเวลาเราได้แบ่งปันได้เสียสละเงินทองไปใจเราจะรู้สึกอิ่มเอิบมีความสุขขึ้นมาแล้วก็จะไม่รู้สึก มีความหิวที่อยากจะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นอันนี้พอเราได้มาลองทำดูแลเราก็เห็นว่าเป็นประโยชน์กว่าการเอาเงินมาทำบุญทาทานนี้เป็นประโยชน์กว่าแล้วทำให้เราอยู่วัดได้มีโอกาสได้อยู่วัดเช่นหยุดสามวันถ้าเราไม่ไปเที่ยวกัน เรามาอยู่วัดกันเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้มาใช้กับการทาบุญแล้วเราก็จะมีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมคือศีลสมาธิและปัญญากันอันนี้พอเราได้ลองปฏิบัติ ด, ดูตอนต้นเราก็ลองปฏิบัติครั้งละสามวันช่วงวันหยุดพอเราเห็นว่ามันมีความสุขมากขึ้นสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆ ทำให้มีความทุกข์น้อยลงไปก็จะทําให้เราเกิดมีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นพอเวลาเรามีโอกาสที่เราว่างไม่ต้องไปทำงานทำการเราก็จะไปปฏิบัติกันต่อเอาเงินที่เราจะเอาไปใช้กับการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือเอาไปซื้อ ไปซื้อกับการไปจับจ่ายค่าใช้ใจ่ายในการไปท่องเที่ยวเนเราก็เอามาใช้ทีวัดกันแทนเอามาทำบุญทำทานเอามาจ่ายค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆแล้วเราก็มีเวลาที่จะได้มารักษาศีลกันให้บริสุทธิ์ศีลของผู้ที่จะปฏิบัติธรรมนี้ก็ต้องเป็นศีลขั้นสูง คือไม่ใช่ศีลห้านีศีลห้านี้เราเรียกว่าศีลขั้นต่ำศีลขั้นสูงนี้ก็ต้องเป็นศีลแปดขึ้นไปบางท่านก็ถือศีลแปดเป็นอุบาสกอุบาสิกาบางท่านก็บวชเป็นสามเณรก็รักษาศีลสิบไปบางท่านก็บวชเป็นพระก็รักษาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดไปอันนี้จะเป็นการช่วยเหลือ การบำเพ็ญจิตตะภาวนาก็คือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าเราไม่มีศีลมาคอยควบคุมบังคับใจใจก็ยังทะเลทลายไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นถ้าเราถือเพียงแต่ศีลห้าเราก็ยังสามารถไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เช่นเรายังไปร่วมหลับนอนกับ คู่ครองของเราได้เรายังรับประทานอาหารตามความต้องการตามความอยากของเราได้ได้ทุกเวลาเพราะศีลห้านี้ไม่ได้ห้ามเรื่องของการรับประทานอาหารแต่ถ้าถือศีลแปดการรับประทานอาหารก็ต้องถูกจำกัดลงให้รับประทานได้ช่วงก่อนเที่ยงวันเท่านั้นเองเพราะหลังจากเที่ยงวันแล้วก็ไม่ให้รับประทานอาหาร พ็ไม่จําเป็นร่างกายมีอาหารพอเพียงแล้วรับประทานอาหารสองมือ้อเช้ากับกลางวันก็เหลือเฟือร่างกายอยู่ได้ไม่เดือดร้อนอย่างแน่นอนถ้ารับประทานอาหารเย็นก็จะทําให้เราต้องมากังวลกับเรื่องของการรับประทานอาหารช่วง กังวันถึงเย็นเราก็จะไม่สามารถที่ภาวนานั่งสมาธิไปได้อย่างไม่มีอะไรมาให้คอยกังวลถ้าเรายังต้องรับประทานอาหารเย็นเราก็ยังจะไม่มีความอยากที่จะนั่งสมาธิกันอยากจะรอให้รับประทานอาหารเย็นให้เสร็จก่อนแล้วก็มานั่งเวลาก็จะเสียไปช่วงตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงเย็นแต่ถ้าเราไม่รับประทานอาหาร เย็นแล้วหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็จะมีเวลาที่จะได้นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาไปจนถึงเวลาดับนอนเลยก็เป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงการปฏิบัตินี้ต้องเป็นการปฏิบัติที่ต่อเนื่องถึงจะได้ผลดีดีกว่าปฏิบัติแบบสั้นๆแล้วก็ต้องพักรับประทาน อาหารพักอะไรอย่างนั้นแล้วค่อยมาปฏิบัติใหม่มันก็จะทําทให้เชื่องช้าล่าช้าและทําให้ผลไม่ค่อยปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมายากกว่าการที่เราได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นถ้าเราถือศีลข้อหกไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอเรารับประทานอาหารเที่ยงวันเสร็จแล้วเราก็จะมีเวลาได้ บำเพลญจิตตภาวนาได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่เวลานั้นปรไยันถึงเวลาหลับนอนเลยแล้วเราก็ต้องมีศีลข้อเจก็คือเราจะไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเช่นไปดูมหรสลพบันเทิงต่างๆร้องํำทำเพลง หรือไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรต่างๆนะถ้าเราไม่ได้ถือศีลแปดถ้ามีบัตรเชิญมาเราก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ได้งานวันเกิดงานแต่งงานงานอะไรต่างๆพอเขาส่งบัตรเชิญมาเราก็จำเป็นที่จะต้องไปตามคําเชิญแต่ถ้าเราถือศีลแปดเราก็ปฏิเสธไปได้ว่าตอนนี้เรา ถือสีลแปดเราไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมเราไม่สามารถที่จะไปร่วมงานเลี้ยงได้เขาก็จะเข้าใจเพราะการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้า่อย่างไรเป็นสิ่งที่ดีมีคนยกย่องสรรเสริญเวลาคนบวชนี่ทุกคนเขาสาธุกันเพราะว่าเป็นการประพฤติตนให้อยู่ในธํานองครองธรรม ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปเบียดเบียนให้แก่ใครและถ้าได้ปฏิบัติจนบรรลุได้ผลแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อผู้อื่นต่อไปนี่คือเรื่องของการปฏิบัตินะถ้าเราประจาปฏิบัติเราต้องรักษาศีลแปกันถ้าเราไม่รักษาศีลแปดเราก็จะมีเวลาน้อยให้กับการปฏิบัตินั่นเอง พอเรารับประทานอาหารเย็นเสร็จเดี๋ยวเราก็อยากจะเปิดทีวีดูหรือเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ยังไปได้อยู่ถ้าไม่ได้ถือศีลแปดแต่พอเราถือศีลแปแล้วเราก็ไปไม่ได้ถือศีลไม่รับประทานอาหารเย็นเราก็จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติไปจนถึงเวลานอนเลยคือประมาณสี่ทุ่ม สี่ห้าทุ่มเนีช่นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็จะมีเวลาปฏิบัติไปเพราะไม่ต้องกังวลกับเรื่องการรับประทานาอาหารเย็นไม่ต้องดูภาพภาพยนต์ไม่ต้องไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆก็จะมีเวลาปฏิบัติได้ยาวแล้วพอถึงเวลานอนเราก็จะนอนให้น้อยที่สุดนอนเท่าที่จําเป็นร่างกายนี้ต้องการพักผ่อนจริงๆก็ คืนละสี่ห้าชั่วโมงก็พอสำหรับพระภิกษุนี้พระพุทธเจ้าสอนให้หลับนอนเพียงสี่ชั่วโมงคือให้บําเพ็ญจนถึงสี่ทุ่มแล้วก็ให้พักถึงตีสองพอตีสองก็ให้ตื่นขึ้นมาให้ลุกขึ้นมาให้มาบําเพ็ญต่อให้มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิต่อหรือมาเจริญปัญญาต่อจนถึงสว่าง ถึงเวลาออกบิณฑบาตการที่จะนอนน้อยนอนไม่มากนั้นท่านก็สอนให้เรานอนบนพื้นแข็งๆอย่าไปนอนบนฟูกหนาๆเพราะเวลานอนบนฟูกหนาๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วคือสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเรานอนบนฟูกที่สบายฟูกหนาๆที่สบาย เราก็จะไม่อยากจะลุกเราก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงได้เวลาอันมีค่าที่จะเอามาใช้กับการปฏิบัติก็จะหมดไปกับการหลับนอนที่ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้ทำให้ร่างกายนี้อายุยืนยาวนานขึ้นแต่อย่างใดกลับทำให้เวลาของการปฏิบัตินี้น้อยลงไป ถ้าเรานอนบนพื้นแข็งๆเช่นปูปูนอนบนพื้นไม้ปูได้เสือ่อหรือได้ผ้าบางๆผ้าไม่หนามากเพื่อป้องกันความเย็นในเวลาเรานอนพอร่างกายพักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาสี่ชั่วโมงสําหรับพระภิกษุนี่พอแล้วพระพุทธเจ้าทรงพักผ่อนเกินละแค่สี่ชั่วโมงตั้งแต่สี่ทุ่มถึงสองยามถึงตีสอง หลังจากตีสองก็จะส่งลกขึ้นมาบำเพ็ญต่อนี่คือเรื่องของการรักษาศีลถ้าเราไม่รักษาศีลเราจะไม่มีเวลามาเจริญสมาธิไม่มีเวลามาเจริญปัญญานั่นเองเราจึงต้องรักษาศีลก่อนแล้วเราจะได้มีเวลามาบำเพ็ญสมาธิกันแล้วเมื่อเรามีสมาธิทําใจให้สงบได้แล้ว ใจก็จะมีกำลังที่จะใช้ปัญญามาคอยกำจัดข้าศึกศัตรูที่จะมาคอยสร้างความทุกข์ให้แก่ใจที่จะมาคอยทำลายความสุขที่ได้จากความสงบตอนต้นเรายังเราต้องสร้างความสุขขึ้นมาก่อนสร้างความสุขด้วยการทำใจให้สงบวิธีที่จะทำใจให้สงบก็คือใช้สติกำกับควบคุมใจ ไม่ให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวถ้าคิดอยู่กับเรื่องเดียวให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้คิดเช่นให้รู้อยู่กับคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไป <c oughs> ใจก็จะไม่สามารถคิดถึงเรื่องต่างๆได้โดยเฉพาะถ้าถือศีลแปนี่ใจมักจะไปคิดถึง่องเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสกันไปคิดถึงแฟนกันไปคิดถึง ขนมนมเนยกันไปคิดถึงอาหารข้ามอาหารเย็นกันถ้าเราไม่มีสติเดี๋ยวเราก็จะไม่สามารถทนกับการรักษาศีลได้เพราะพอคิดถึงขนมคิดถึงอาหารมันก็จะเกิดความหิวขึ้นมาแล้วถ้าหิวมากๆก็อาจจะทนรักษาศีลต่อไปไม่ได้ก็จะลากลับบ้านไปเลิกถือศีลไป กลับไปถือศีลห้าหรือไม่ถือศีลเลย <c oughs> เพราะว่ามันสู้ความอยากไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติคอยควบคุมความคิดถ้าเรามีสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงมหรสผบันเทิงไม่ให้ไปคิดถึงขนมนมเนยไม่ให้ไปคิดถึงเอาหงอาหารน่อยต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงแฟน ใจมันก็จะความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้แล้วใจก็จะสงบพอใจสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งใจก็จะมีความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสไปไปอยู่กับแฟนไปไปเที่ยวไปดูมาหัศลศพอะไรต่างๆสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ พอเราได้ความสงบแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่า <c oughs> ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบนี้เองแต่เราไม่สามารถที่จะอยู่ในสมาธิไปได้ตลอดเวลาเพราะเรายังต้องออกมารับผิดชอบกับร่างกายร่างกายยังต้องขับถ่ายยังต้องรับประทานอาหารต้องดื่มน้ำจะอยู่ในสมาธิไปตลอดก็ไม่ได้ก็จาเป็นที่จะต้องออกมาจากสมาธิ พอมาจากสมาธิก็อาจจะไปสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาได้ <c oughs> พอตอนนั้นถ้าเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ต้อง <c oughs> มีสองวิธีที่จะแก้วความอยากนี้ถ้าวิธีชั่วคราวเราก็ต้องใช้สติบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปดูหรืออย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมา ถ้าเราสามารถดึงใจให้อยู่กับพุทธโธไปได้เรื่อยๆสักพักหนึ่งเราก็จะลืมเรื่องที่ทําให้เราเกิดความอยากขึ้นมาความอยากก็จะสงบตัวลงไปแล้วความสงบก็จะกลับคืนมาใหม่แล้ก็เป็นการแก้ไขแบบชั่วคราวเพราะเวลาใดที่เราเผลอไม่มีสติไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาได้ทุก ทุกเวลาทุกครั้งไปถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดความอยากเราต้องการกำจัดความอยากอย่างท้าวรนเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสู้ที่เห็นว่าความไม่สบายใจต่างๆนั้นเกิดจากความอยากของเราเวลาเรามีความอยากในใจของเราจะไม่เป็นปกติจะ ก, กังวลกาวายจะ ก, กระสับกระส่ายขึ้นมาทันที และการที่เราจะกำจัดความอยากได้นั้นเราก็ต้องดูสิ่งที่เราอยากให้เห็นให้รู้ความจริงของสิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแนะ่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาด้วยความเห็นที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันไม่ได้เป็นความสุขเลยมันเป็นความทุกข์เสียมากกว่ามันอา จ, จะให้ความสุขเรา ในระยะแรกๆในช่วงที่เราได้มาใหม่ๆหลังจากนั้นแล้ว <c oughs> มันก็จะทำให้เราทุกข์เพราะว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เราได้มาใหม่ๆมันก็ดีไปหมดแต่พอได้มาสักพักแล้วมันก็มีการเปลี่ยนไปเสื่อมคุณภาพไปเสื่อมคุณสมบัติไปจากดีก็กลายเป็นไม่ดีไปหรือเสียไป พอมันไม่ดีพอม่เสียมันก็ทำให้ความสุขที่เราได้จากมันนั้นกลายเป็นความทุกข์ไปแล้วก็มันก็จะไม่อยู่กับเราไปตลอดมันไม่เป็นของเราไปตลอดถึงแม้ว่าเราจะสามารถรักษาให้มันดีไปเรื่อยๆแต่สักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปเช่นอาจจะถูกขโมยไปก็ได้หรือเราต้อง แยกทางกับเขาไปด้วยเหตุผลอันใดอันหนึ่งพอเราเกิดการแยกทางกันมันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือการพิจารณาความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเมื่อมันไม่ได้เป็นของเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเวลามันเปลี่ยนแปลงเวลามัน พัดภาคจากเราไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเห็นว่าการไปหาสิ่งต่างๆตามความอยากของเหานี้เป็นการไปหาความทุกข์เราก็จะไม่เราก็จะไม่อยากได้เช่นถ้าเรารู้ว่าถ้าเราไปซื้อเครื่องดื่มชนิดนี้มาดื่มแล้วจะทาให้เราปวดท้องทท้องท้องเดินนี้เราก็จะไม่ไปซื้อมาแต่เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์กัน เพราะความหลงมันจะมองมันจะไม่ให้เรามองเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆมันจะให้เราเห็นแต่ความสุขในสิ่งนั้นๆในสิ่งต่างๆก็เลยทำให้เราไปหาหาสิ่งที่เป็นทุกข์มาให้กับเราเวลาเราได้อะไรมาแล้วเราสุขหรือเราทุกข์กับมันเราเวลาเราอยู่คนเดียวนี้เราต้องทุกข์กับใครหรือไม่ เวลาเรามีสามีมีภรรยานี้เราต้องทุกข์กับเขาหรือเปล่าต้องทุกขแบบ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถ้าเขาดีเราก็ทุกข์ด้วยความห่วงด้วยความห่วงเพราะเราถ้าเขาดีเราก็อยากจะให้เขาเป็นของเราเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอเวลาเราไม่เห็นเขาไม่พบเขานี่เราก็ห่วงละกังวลขึ้นมาแล้วหรือว่าถ้าเขาไม่ดีเราก็ทุกข์อีกแบบหนึ่ง เวลาอยู่กับเขาแล้วเขาไม่ดีมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องวุ่นวายเรื่องปวดหัวเราก็ทุกกับเขาอีกแบบหนึง่งถ้าเราพิจารณาแล้วทุกวันนี้ความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้กันพอมีอะไรแล้วเราก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีกันแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่มีอะไรจะทุกข์ด้วยถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาแบบนี้ ก็จะทำให้เรานี่สามารถหยุดความอยากต่างๆได้พออยากจะได้อะไรพอปัญญาบอกมันทุกนะพอเห็นด้วยปัญญาว่ามันทุกก็ไม่เอาดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าทำใจให้สงบแต่ความอยากที่มันโผล่ขึ้นมานั้นก็ไม่ใช่เพราะเราอยากให้มันโผล่แต่มันโผล่ขึ้นมาเพราะมันเคยมีอยู่ฝังอยู่ในใจของเรามานานนั่นเอง ถึงแม้ว่าเราจะมีสมาธิมันก็จะกดมันไว้ได้เฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นแต่พอเราออกจากสมาธิมาพอเราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สัมผัสกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็จะทำให้ใจที่สงบนี้วุ่นวายขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสามารถใช้ปัญญาอสอนใจให้ปล่อยวางเรื่องที่เราอยากได้ทันที ว่ามันเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปมีดีกว่าอย่าไปเอามาเป็นของเราเอามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับมันขณะที่อยากได้มันก็เริ่มทุกข์แล้วว่ามันเริ่มเกิดความกังวลกวายขึ้นมาพอเห็นว่าความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลกวายทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิเราก็หยุดมันด้วยปัญญา ไม่ไม่กระทำตามความอยากพอเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากเหล่านี้ก็จะหายไปจะหมดไปพอมันหมดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาคอยทำลายความสงบที่เราได้จากสมาธิใจของเราก็จะสงบไปตลอดโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพราะว่าไม่มีอะไรมาทำลายความอยากต่างๆนั้นได้ถูกทำลายด้วยปัญญาไปหมดแล้ว ทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาปัญญาก็จะบอกว่ามันเป็นทุกข์อย่าไปเอามาอย่าไปอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวข้องให้ปล่อยวางแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ให้ไปอยากร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนสิ่งอื่นๆมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครห้ามไม่ได้มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง มันเป็นของเราได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งพอเวลาตายไปแล้วมันก็กลายเป็นของสับปปเปล่าไปร่างกายของคนตายนี้ไม่มีใครอยากได้ยกให้สับปปเหล่าไปเพื่อสับปปเปล่าจะได้เอาไปชาปนากิจเอาไปทำลายเพราะถ้าปล่อยให้ทิ้งไว้มันก็จะเป็นเหมือนกับขยะส่งกลิ่นเหม็นไม่มีใครต้องการที่จะมีอยู่ใกล้ขยะ ไม่ต้องการไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้กับสิ่งที่ส่งกลิ่นเหม็นร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้พอลาตายไปแล้วถ้าไม่ได้ไปทำอะไรปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเดี๋ยวก็ต้องเน่าเปื่อยขึ้นมาส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาจึงต้องยกให้สับปเล่ลยยกให้วัดไปเพื่อจะได้เอาไปทำลายนี่คือปัญญาที่เราจะต้องเอามาใช้หลังจากที่เราออกจากสมาธิมา ถ้าเรายังไม่มีกำลังพอที่จะพิจารณาด้วยปัญญาก็ประคับประคองจิต ด, ด้วยสติไปก่อนพอออกจากความสงบมาก็บริกรรมพุทโธต่อไปอย่าปล่อยให้ไปเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆหัดศึกษาวิธีพิจารณาทางปัญญาว่าพิจารณาอย่างไรถึงจะเห็นว่าเป็นทุกข์พิจารณาอย่างไรถึงจะเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาอย่างไรจึงเห็นว่า ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้ก็ต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยการปฏิบัติจริงต้องมีการฟังเทศฟังธรรมสลับกันไปควบคู่กันไปฟังธรรมแล้วเราก็ไปปฏิบัติกันแล้วเดียวอีกสักระยะหนึ่งเราก็กลับมาฟังธรรมใหม่เพื่อจะได้หาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยเพราะถ้าเราฟังหนูเดียวนี้เราจะจาไม่ได้หมด เวลาปฏิบัติถ้าเราจำไม่ได้เดี๋ยวเราก็ปฏิบัติผิดได้ปฏิบัติไม่ถูกแล้วผลก็จะไม่เกิดเพราะว่าลืมไปว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเช่นบางท่านพอปฏิบัติอยู่ขั้นศีลก็ลืมเรื่องขั้นสมาธิเรื่องปัญญาไปก็มัวแต่คอยรักษาศีลเพียงอย่างเดียวโดยไม่คิดที่จะไปนั่งสมาธิกัน แล้วพอได้นั่งสมาธิก็ติดอยู่กับการนั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ได้ไปคิดถึงการเจริญปัญญากันมันก็เลยทำให้ไม่เจริญก้าวหน้าไปตามตามลำดับแต่ถ้าได้ยินได้ฟังทาอยู่เรื่อยๆเราก็จะทราบว่าทำแต่ละขั้นนี้เป็นเหมือนขั้นบันไดที่เมื่อเราทำแล้วเราก็ต้องก้าวขึ้นสู่ขั้นต่อไป เมื่อเราทำทานได้แล้วเราสละทรัพย์สมบัติข้าวของได้แล้วไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติไม่อาศัยทรัพย์สมบัติเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วเราก็จะได้ไปบำเพ็ญ น, นักษาศีลได้อย่างเต็มที่เมื่อเรางมีศีลแล้วเราก็สามารถที่จะบำเพ็ญสมาธิได้มีเวลาที่จะนั่งสมาธิ บางคนไม่ทราบว่ารักษาศีลไปทําไมรักษาศีลก็คิดว่ารักษาศีลเพื่อรักษาศีลรักษาศีลแต่งกันญาติโยมที่วัดที่ไม่มีการปฏิบัติธรรมนี้เขาก็มีการถือศีลอุโบสถกันไปอยู่ศีลกันรักษาศีลกันแต่เขาไม่ไปนอกจากรักษาศีลแล้วเขาไม่ภาวนากันเขาภาวนาไม่เป็นเพราะไม่มีใครสอนให้ภาวนาเขาก็คิดว่าการรักษาศีลนี่พอเพียงแล้วะ แต่ความจริงการรักษาศีลนี่ก็เป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนการภาวนานั่นเองการนั่งสมาธิต่อไปถ้าเรามีเวลานั่งสมาธิแล้วเราไม่นั่งกันแล้วกลับมานั่งคุยกันอย่างนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรพอเรารักษาศีลแปดได้เราก็ต้องไม่คุกคีกันเราไม่จับกลุ่มกันมานั่งคุยกันมาสนทนาอะไรกันรือมาทากิจกรรมอย่างอื่น กิจกรรมที่เราควรจะทำสำหรับผู้ที่รักษาศีลแต่ได้ก็คือการภาวนาการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการอยู่ตามลำพังเพราะถ้าเราไม่อยู่ตามลำพังเราจะไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญสติได้เวลาเราคุยกันจิตเราก็จะคิดกันอยู่ร่วมกันก็จะคุยกันพุ่งซ่านไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้กันแล้วดีไม่ดีก็อาจจะมาทะเลาะกัน คุยกันแล้วมีความเห็นไม่ตรงกันก็มาทะเลาะกันจิตก็เลยวุ่นวายขึ้นมาอาจจะถึงกับโกรธเกลียดกันขึ้นมาก็ได้พอเกิดความโกรธขึ้นมาก็ภาวนาไม่ได้ใจก็วุ่นจากนั้นเราต้องรู้เจตนาของการรักษาศีลรักษาศีลเพื่อที่จะมาสนับสนุนในการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญา การเจริญสมาธิก็เพื่อจะไปเอาไปสนับสนุนในการเจริญปัญญาต่อไปเพราะการมีสมาธินี้ไม่พอไม่สามารถที่จะทําลายต้นเหตุของความทุกข์ได้ก็คือกิเลสตัณหาต่างๆเพียงแต่กดเอาไว้เท่านั้นเองสมาธินี้ท่านเปรียบเหมือนกับหินทับหญ้าหญ้าไม่ตายเพราะหินที่ทับหญ้าไว้พอยกหินออกหญ้ามันก็จะงอกขึ้นมาได้ การที่เราจะทําลายหญ้าให้หมดไปเราต้องถอนรากถอนโคนของหญ้าและผู้ที่จะถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหาได้ก็คือปัญญานี่รากเง่าของกิเลสตัณหาก็คือความหลงความไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งจะต้องมีการพัดภาคจากกัน เวลาพัดพากจากกันความทุกข์ก็จะตามมาถ้าเรามีความอยากไม่พัดพากจากกันแต่ถ้าเรารู้ว่าความอยากทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็หยุดความอยากปล่อยให้เกิดปล่อยให้พัดพากจากกันไปปล่อยให้มันเปลี่ยนไปไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปไม่ต้องการมันอย่าไปเอามันมาเป็นที่พึ่งของเราเมื่อเราไม่พึ่งเขาเขาจะไปเขาจะเปลี่ยนก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรกับเรา นี่คือการใช้ปัญญาเพื่อที่จะทำลายร า, ากเง่าของความอยากได้ทำลายความอยากคือกิเลสตัณหาให้หมดไปได้อย่างถาวรต้องใช้ปัญญาแล้วต้องใช้สมาธิต้องใช้สมาธิเป็นผู้สนับสนุนเพราะถ้าใจไม่สงบใจไม่มีความสุขในตัวเองใจมันจะหิวกับเรื่องต่างๆ พอคิดถึงเรื่องต่างๆแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมามันจะไม่มีกํำลังสู้กับความอยากได้เช่นคนที่ไม่มีสมาธินี่ถ้าติดบุหรี่นี่เลิกยากถ้าติดสุรานี่เลิกยากถ้าติดอะไรนี่เลิกยากแต่ถ้ามีสมาธิแล้วจะเลิกได้อย่างง่ายได้เพราะคนที่มีสมาธิจะมีความสุขในตัวเองแล้วพอพิจารณาเห็นว่าการสูบบุหรี่นี่เป็นภัยต่อจิตใจและร่างกาย ก็จะเลิกได้อย่างง่ายดายดังนั้นการที่เราจะใช้ปัญญาเพื่อทําลายกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้เราจําเป็นจะต้องมีสมาธิก่อนเราจําเป็นจะต้องทําจิตใจให้สงบก่อนพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่าสมาธิที่ศีลบํอ สมาธิที่ศีลอบรมได้ดีแล้วนั้นมีอนิสงส์มากมีประโยชน์มากคือความหมายก็คือสมาธินี้จะเกิดได้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนเมื่อมีศีลเป็นผู้สนับสนุนก็จะได้สมาธิที่มีประโยชน์มีมีมีอนิสงส์มากแล้วก็สมาธินี้ก็จะไปสนับสนุนปัญญา อย่างที่ท่านหวกว่าปัญญาที่ได้รับการอบรมจากสมาธินี้จะมีอา น, นิสงส์งมากมีประโยชน์มากและจิตที่ได้รับการอบรมด้วยปัญญาก็จะหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเนี่ยทำหน่านี้เป็นธรรมที่สนับสนุนกันเราจเป็นเราจึงจำเป็นจะต้องมีทานก่อนเพราะเมื่อมีทานเราก็จะสามารถรักษาศีลได้ เมื่อเรารักษาสินได้เราก็จะภาวนาทำใจให้สงบได้เมื่อเราใจสงบแล้วเราก็สามารถเจริญปัญญาเอาปัญญานี้มาทำลายกิเลสตัณหาต่างๆที่ทำให้จิตใจของเราติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พอเรามีปัญญาเราก็สามารถที่จะทำจิตให้ดุดพ้นได้จิตที่ได้รับการอบรมด้วยปัญญาแล้ว ย่อมหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวก่อนที่เราจะไปถึงขั้นปัญญาได้เราก็ต้องไปที่ขั้นสมาธิก่อนก่อนจะไปถึงขั้นสมาธิได้ก็ต้องไปขั้นศีลก่อนก่อนที่จะไปขั้นศีลได้ก็ต้องไปขั้นทานก่อนนี่เป็นธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันเราจะรู้เองว่าเราอยู่ขั้นไหนเพราะมันเราสามารถทดสอบดูตัวเราเองได้ว่าตอนนี้เรายัง พึ of of ่งเงินพึ Biz ่งทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์เป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังพึ่งอยู่ก็แสดงว่าเรายังทําทานไม่หมดยังยังทำทานไม่ได้ถ้าเราทําทานได้เราก็ต้องไม่ใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์เป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราก็บริจากไปหมดได้เราก็จะไปบวชได้ถ้าจะเก็บเงินไว้ก็เฉพาะสําหรับการเลี้ยงดูปากทองเท่านั้นเอง เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขมาดับความทุกข์เพราะมันดับไม่ได้ความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทานี้เป็นดับได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเราต้องใช้การดับด้วยการปฏิบัติธรรมเท่านั้นถึงจะดับได้อย่างถาวรการที่เราจะได้ทำเราก็ต้องมีเวลาไปปฏิบัติ ถ้าเรายัางหาเงินหาทองอยังใช้เงินใช้ทองอยู่เราก็ไปไม่ได้เหตนเราต้องพยายามเลิกใช้เงินใช้ทองกันแล้วมาหัดรักษาศีลกันมาหัดนั่งสมาธิกันทําใจให้สงบให้ได้ถ้าใจเราสงบแล้วเพียงครั้งเดียวเราก็จะสามารถไปได้เพราะเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถอาศัยการปฏิบัติของเราให้ความสุขกับเราดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินทองเราก็จะบริจาคเงินทองไปได้หมดอย่างผู้ที่เขาไปบวชกันนี่เขามีความมั่นใจแล้วว่าเขาไม่ต้องใช้เงินใช้ทองกันเขาก็เลยสละเงินทองอย่างพระพุทธเจ้าก็สละราชสมบัติไปเพราะพระพุทธเจ้ามีความมั่นใจว่าสามารถจะทำใจให้สงบได้ แล้วก็สามารถใช้ความสงบนี้มาดับความทุกข์ต่างๆภายในใจให้หมดไปได้เพียงว่าตอนนี้ยังไม่ยังยังไม่สงบตลอดเวลายังสงบบางเวลาแต่พอเริ่มรู้จักวิธีทำใจให้สงบแล้วแล้วรู้ว่าความสงบนี้เป็นความสุขที่แท้จริงก็จะพร้อมที่จะสละความสุขปลอมไปความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองไปซื้อมา แล้วก็จะได้มีเวลาไปปฏิบัติสร้างความสุขที่แท้จริงได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการหาเงินหาทองไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้เงินใช้ทองก็จะมารักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เมื่อรักษาศีลได้ก็จะมีเวลาบําเพ็ญสมาธิและปัญญาได้ตามลําดับพอได้สมาธิได้ปัญญาแล้วก็จะสามารถ กำจัดกิเลสตัณหาต้นเหตุของความทุกข์ใจให้หมดไปได้อย่างถาวรพอหมดแล้วจิตก็จะไม่มีความทุกข์ลงเหลืออยู่อีกต่อไปไม่มีเชื้อของภพของชาติเหลืออีกต่อไปภพชาติก็จะไม่มีอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันแล้วท่านก็นาเอามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราผู้ที่มี ศรัทธาความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถรับผลได้เช่นเดียวกันอย่างครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราได้ศึกษาประวัติของท่านมาท่านก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการมีศรัทธาความเชื่อยอย่างอย่างอย่างเต็มที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างเต็มที่สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองออกบวชกัน แล้วก็กลายเป็นพระอาลันตัสาวกกันขึ้นมาเจนในปัจจุบันเราก็คงเคยได้ยินชื่อของพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาพระอาจารย์ขาวหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน้นหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่พอได้มายินได้ฟังธรมได้สัมผัสกับคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติ ตอนต้นก็ปฏิบัติในเพศของคารวานหรือบางท่านก็มีมีเหตุให้บวชก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติทันทีแค่พออายุครบยี่สิบพ่อแม่ก็ให้บวชพอได้บวชก็เลยได้ศึกษาได้ลองปฏิบัติพอได้ได้ปฏิบัติได้สัมผัสกับผลก็เลยไม่อยากจะศึกตอนต้นก็คิดว่าจะบวชชั่วคราวบวชแค่สามเดือนแต่พอบวชไปแล้วได้ศึกษาได้ลองปฏิบัติ พอได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการบัณฑัตมันก็ทําให้ติดใจเพราะไม่มีอะไรจะดีเท่ากับลดแห่งธรรมลดแห่งธรรมนี้ชนะรดทั้งปู่ก็เลยบวชไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันขึ้นมาเวลาท่านตายไปกระดูกของท่านก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมานี่คือ การยืนยันว่าธรรมของพระุทธเจ้านี้ไม่ร้ายผลและไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่เสื่อมไปตามการตามเวลาเหมือนสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ธรรมของพระุธเจ้าแม้จะมีอายุสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมสมัยพระพุทธการสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติดุจพ้น ได้สมัยปัจจุบันนี้ก็สามารถทําให้ผู้ปฏิบัติหยุดพ้นได้เช่นเดียวกันขอให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นเถิดแล้วมรรผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้พวกเรามีความเชื่ออย่างแน่วแน่และพยายามปฏิบัติตามคําสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามกําลังของเราที่เรามีอยู่ในขณะนี้แล้วมันจะขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆของมันเอง พอเราได้รับผลแล้วมันจะทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นที่จะตัดสิ่งต่างๆที่เราเคยหลงเพึ่งอยู่ให้น้อยลงไปแล้วเราก็จะมีเวลาปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่พอเราปฏิบัติได้เต็มที่แล้วไม่นานอย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่าเจ็ดวันก็ได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีต้องได้ผลอย่างแน่นอน ะขอให้เราเชื่อธรรมเหล่านี้เถิดแล้วนำา อ, อกไปปฏิบัติรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวัง<ะ>การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ 2> <2> ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตไม่ไม่ตอบคำถามถ้าอยากจะถามก็ถามช่วงนี้ได้ตอนต้นก็จะให้ทางบ้านที่ฝากคำถามมาโดยมีวิทยากรจะเป็นผู้ อ, อ, อ่านคำถามให้ฟังคำถามจากทางบ้านจากคุณแอมพันนลิน การปฏิบัติกรรมฐานภาวนาของโยมจะสงบนิ่งและนั่งได้นานเฉพาะเวลาอยู่วัดต่อหน้ารูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นรูปเหมือนหลวงตาและต่อหน้าพระอาจารย์เจ้ า, าวาดแต่เวลาอยู่บ้านกลับไม่มีกำลังนั่งได้ไม่นานสามถึงห้านาทีก็เลิก เหมือนว่าติดการสถานที่กิเลสมันอยากอวดครูบาอาจารย์จะใช้อุบายหรืออธรรมข้อใดกํากับแก้ไขคะก็รูปครูบาอาจารย์ไปตั้งไว้ที่บ้านนี่ติดเอาภาพถ่ายก็ได้นะเป็นภาพภาพใหญ่ๆตั้งไวท้ที่ในห้องที่เราจะนั่งสมาธิตั้งไว้หลายๆรูปมันก็เหมือนกันนะ คำ ถ, ถามจากคุณปริญญาผมคิดถึงคําพูดของหลวงตาประมาณเดือนที่ผ่านมาเรื่องการให้ทานทั้งแจกแถมแต่จะทําอาชีพค้าขายหลวงตาว่าให้บวช ด, ดีกว่าขอพระอาจารย์อธิบายด้วยครับออถ้าทำมาหากินก็ได้เงินทองถ้าบวชก็ได้ธรรมเงินทองกับธรรมอันไหนจะดีกว่ากันเงินทองก็ซื้อความสุขชั่วคราว ถ้าทำก็ซื้อความสุขถาวานงั้นบวชนอมย่อมดีกว่าการทรมาหากินหาเงินหาทองคำถามจากคุณจิรันธนินถ้ามีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมพระอริยบุคคลขั้นต้นพระโสดาบานันจะเป็นตันหาความอยากหรือไม่ครับจะเป็นอุปสรรคในการภาวนาหรือไม่ครับคือความอยากในธรรมท่านเรียกว่าฉันทะ ความยินดีไม่ได้เป็นตันหาความอยาก เ, าเป็นกุศลเป็นบุญแต่เวลาที่เราปฏิบัติเราก็อย่าเอาความอยากนี่มาเป็นอุปสรรคเพราะผลมันไม่ได้เกิดจากความอยากเวลาเราปฏิบัติเราก็ต้องอยู่กับเหตุที่ทําให้เกิดผลเช่นเวลาเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วอย่าไปอยากให้มันสงบถ้าอยากแล้วมันจะไม่ได้สร้างเหตุที่จะทําให้ใจสงบ เราต้องอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวแล้ว อ, อยู่กับอารมณ์ใดที่เราใช้กําหนดควบกำกับใจเช่นถ้าดูลมก็ให้ดูลมไปอย่าดูลมไปแล้วก็อยากให้มันสงบไปถ้าทําอย่างนี้แล้วมันจะไม่สงบเวลาดูลมให้ดูลมอย่างเดียวเวลาพุโทโธให้พุโทโธอย่างเดียวอย่าไปกำเนินอย่าไปกังวลกับผลที่จะเกิดหรือไม่เกิดถ้าไปกังวลไปคาดคะเนนี่มันก็ ไปข้างหน้าและมันไปอนาคตล้มันไม่ได้อยู่ปัจจุบันจิตต้องอยู่กับปัจจุบันต้องอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วจิตก็จะสงบได้ดังนั้นความอยากนี้มันต้องรู้จักเวลาถ้าเราอยากไปเที่ยวเราก็ต้องบอกอยากไปทําบุญดีกว่าอยากดูทีวีก็บอกอยากนั่งสมาธิดีกว่าต้องให้มันความอยากนี้มันต้องใช้มันถูกเวลามันก็เป็นประโยชน์ แต่ถ้าไปใช้เวลาที่ไม่ควรจะใช้มันก็เป็นโทษได้เช่นเวลานั่งสมาธิอยู่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดูลม้มไม่พูดโทนั่งแต่อยากให้มันสงบอยากให้มันสงบอย่างนี้มันก็ไม่มีวันสงบได้คำถามจากคุณแก้วสมชยัยผมมีเรื่องทุกข์ใจมาได้สี่ปีคือห่วงคนคนหนึ่งเดิมทีเป็นแฟนแต่ปัจจุบันผมคิดแบบน้องเพื่อนผมห่วงเขามากผมอยากที่จะห่าง หาวิธีหลายอย่างด้วยการพิจารณาทางธรรมบางครั้งตัดได้แต่ไม่นานก็เป็นห่วงการกระทําของเขาก็ไม่ดีทั้งทั้งที่ผมรู้แต่ใจผมก็ตัดไม่ได้ผมต้องการออกห่างไปทางธรรมออกวิเวกหาความสงบผมอายุห้าสิบห้าปีแล้วผมแสวงหาทางที่จะออกจากเขาด้วยแยกขันก็ได้ไม่นานความเป็นห่วงมาอีกเป็นแบบนี้หลายปีครับ ผมคิดเองว่าเป็นคู่กรรมผมแผม่เมตตาเปิเมตตาบ่อยให้เขาแต่ไม่หลุดสักทีผมจะทำอย่างไรดีที่จะหมดกรรมในการห่างจากเขาหมดอะไรอาวรผมอยากจะเข้าหาความสงบเพื่อหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารครับคือเราก็ต้องอย่าไปคิดถึงเขาเวลาที่เราคิดถึงเขาเราต้องดึงใจเข้ามาหาพุโทโธแทนให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไป ทุกครั้งที่คิดถึงเขาก็พุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเราก็จะลืมเขาเราก็จะไม่ได้คิดถึงเขาเมื่อเราไม่ได้คิดถึงเขาเราก็จะไม่กังวลห่วงเขาอะไรต่างๆดังนั้นสิ่งที่เราไม่มีก็คือสติคอยดึงใจให้ออกจากการคิดถึงเขาดงั้นพยายามสร้างพุทโธขึ้นมาพยายามระลึกพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีความจาเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องอะไรให้หัดคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไป หรือจะหัดสวดมนต์อยู่กับการสวดมนต์ไปก็ได้ให้ใจมีอะไรทําเพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากังวลทําให้เราห่วงใยทุกครั้งถ้าใจเราไปกังวลไปห่วงใยเราก็ดึงมาได้ถ้าเรามีพุโทโธถ้าเราสามารถสวดมนต์ไปได้เรื่อยๆแล้วก็สวดมนต์ไปได้เรื่อยๆแล้วต่อไปความคิดถึงเขาก็จะน้อยลงไปเบาลงไปแล้วต่อไปก็จะลืมเขาได้ หมดแล้วมีใครอยากจะถามใหมทางนี้ใครอยู่ข้างล่างอยากจะถามก็ขึ้นมาถามได้น ะ, ะ, ะก่อนที่จะถามก็ขอเล่าเรื่องการผลที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตอนต้นเล่าว่าเขาจะปิดถนนไม่ให้รถเข้าเข้าวัดเพราะเขาจะใช้บริเวณถนนรอบวัดเป็นที่แข่งจั ก, กรยาน ไต้กีทาเนื่องจากว่าเขาไปปรึกษาถามพระที่เขาไม่ได้ถูกกระทบเขาก็เลยบอกว่าปิดได้เขาไม่ได้มาถามเราว่าเราต้องออกบิณฑบาตแล้วก็กลับมาก็ต้องมีญาติโยมมาที่ศาลามามาถว า, า, ายอาหารมาทำบุญถ้าปิดเขาก็เข้ามาไม่ได้ก็เลยเป็นเหตุที่ให้ต้องพูดในเฟซเมื่อวานนี้พอพูดไปก็มีผู้ที่ ห่วงใหญ่ก็พยายามติดตามเรื่องเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นมาก็มีนักข่าวช่องห้าก็มาถามก็เล่าให้เขาฟังว่าพอดีทางผู้จัดเขาก็มาคุยด้วยเพราะว่ามีทั้งตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาตัวแทนของเมืองพัทยาก็มาเพื่อที่จะมาแก้ปัญหานี้ก็ได้ข้อสรุปว่าเขาจะเปิดให้เป็นช่วง เหมือนกับรถไฟเวลารถไฟมาเขาก็จะปิดถนนพอ ร, รถไฟไปเขาก็เปิดถนนให้พวกจักรยานนี้เขาก็จะมาเป็นละลอกละลอกไหนที่เขาไม่ม า, าก็เปิดให้รถวิ่งผ่านเข้ามาในวัดได้นี่ก็คือข้อสรุปที่เขาแจ้งให้ทราบก็เราอยากจะบอกให้ทุกคนว่าสบายใจก็เป็นเหตุที่ว่ามันประสานกันไม่ถูก ไม่ถูกที่ไปประสานกับคนที่เขาไม่เดือดร้อนเขาก็หวอลปิดได้แต่คนที่เดือดร้อนไม่มาประสานก็เลยก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาอย่างที่ได้ทราบกันอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้ทราบว่าทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยไม่เรียบร้อยก็ไม่เป็นไรก็ตามมีตามเกิด แต่ทางที่ดีข้าวหน้าอย่าขอร้องอย่ามาจัดแบบนี้ก็แล้วกั น, น <laughs> ถ้าจัดก็ขอให้จัดรอบวัดอยากเข้ามาในวัดแล้วก็เปิดช่องให้คนที่เข้ามาทำบุญได้มีโอกาสได้มาทำบุญตามปกติเชิญถามได้ถ้ามีคำถามอาจารย์คหนุกเป็นมือใหม่นะคะแต่ว่าเวลาที่นั่งสมาธิค่ะ แล้วมีความรู้สึกว่าจิตมันเหมือนรู้แล้วแหละว่ามันกําลังจะลงพอเริ่มรู้ว่ากลังจะลงปุ๊บมันก็หายก็อย่าไปรู้สิให้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมต่อไปพอเราไม่อยู่กับลมปั๊บมันก็ไม่ลงแล้วพอมันจะลงก็อย่าไปสนใจถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าเราพุทโธก็พุทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับอาการของจิตที่กําลังจะลงรู้ไม่ลงถ้าไปสนใจปั๊บเราก็จะไม่ลงทันทีมันเหมือนพอเริ่มพอเหมือนกับว่า กำลังจะลงเราก็เลยหันไปเฝ้ามันใช่อย่าไปเฝ้ามาันเราต้องอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ดึงใจให้เข้ามาอยู่ถ้าเราใช้พุโทโธก็พุโทโธต่อไปอย่าไปดูผลที่กําลังเกิดขึ้นคือเราถ้ามารู้สึกแล้วก็ดึงกลับมาพุโทโธมันืองธรรมะไดกลับมามพุทโธใหม่ก็อาจจะอาจจะช้าหน่อยเสียเวลาหน่อยกลับมาเหมือนกลับมาเริ่มต้นแต่ไม่ถึงกับเริ่มต้นหน่อยกลับมาจุดที่กําลังจะรวมใหม่แล้วก็เราก็ทําต่อไป แล้วเดี๋ยวมันก็จะลงเองอย่าไปสนใจของเรื่องของผลที่จะเกิดหรือไม่เกิดหรือกำลังจะเกิดก็ให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กากับใจต่อไปขอโอกาสพระแมคาา่ครูบาอาจารย์ครับเป็นคำถามฝากจากญาติธรรมทางบ้านที่ได้คุยสนทนาธรรมกันมาเป็นบ้างถามว่าชีวิตในคารวาสที่มีคู่ผัวตัวเมียการทางานลอก ทุกอย่าง <àn nar. S 2> <น>ทำงานโรงงานทํางานราชการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาอยากจะฝึกตนปฏิบัติตนน่ะแต่แต่ที่ได้ฟังทำจากเพระแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าต้องต้องรักษาสินแปดถึงจะปฏิบัติได้เห็นผลเต็มที่แต่ถ้าสินห้าอย่างเงี้ยครับเขาเขาอยากจะขอแนวทางในการปฏิบัตินะครับเพื่อฝึกขัดเกลาตัวเองครับก็คือเวลาที่เราอยากจะปฏิบัติวันนั้นเราก็ถึงสินแปด เช่นวันพระหรือวันหยุดทํางานของเราเราก็ไม่ต้องไปทํางานทําการเราก็มีเวลาที่จะมาถือศีลแปและมาปฏิบัติได้เราก็เริ่มต้นตรงวันที่เราว่างก่อนส่วนวันธรรมดาวันที่เราไปทำหากินมีภาระ ก, กับครอบครัวกับคู่คร อ, องของเราเราก็รักษาศีลห้าไปวันนั้นเราก็เพียงแต่ประคองใจไว้ไม่ให้ลงไปสู่อบาย คือรักษาศีลห้าก็ป้องกันไม่ให้ไปอบายแล้วถ้าทำบุญทาทานได้ก็ไปเกิดในสวรรค์หลังจากที่ตายไปแต่ถ้าเราอยากจะไปสูงกว่านั้นอยากจะไปชั้นพรมไปอยากชั้นอริยเจ้าเราก็ต้องมาปฏิบัติในวันหยุดทำงานกันไปถือศีลแปไปอยู่วัดก็ได้เพราะถ้าไปอยู่วัดมันก็จะง่ายไม่มีอุปสรรคเหมือนกับอยู่บ้าน เพราะเราอาจจะถือศีล8พรรยา่ยาถือศีลศีลห้าอย่างนี้มันก็จะขัดกัน้นนเราก็ต้องอาศัยการเริ่มต้นในวันที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆแล้วเอาวันนั้นมาปฏิบัติกันพอเราได้ปฏิวัติวันหนึ่งแล้วถ้ามันดีเราก็อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับแล้ ว, ลวต่อไปเราก็จะลดการทำ ง, งานลงให้น้อยลงไป นนในที่สุดก็อาจจะลาออกจากงานเพื่อจะได้ไปปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบต่อไปสาธุครับครับคำถามแรกจากทาง y o u t u นะครับจากคุณเชรานนะครับ What is the difference between positive thought and negative thought from Dharma point of view? Positive thought Thought will make your mind peaceful and happy. Negative thought will make your mind angry, make your mind sad, make your mind restless, make your mind unhappy. And in Buddhism, positive thought is to think about giving up, letting go, and letting go of your greed, hate, and delusion, letting go of your desire. These are positive thoughts. And negative thought is the thought of. Of desiring, of acquiring, of, of greed, of hate, and delusion. These are positive thought, at uh, negative thought. So the Buddha s a y avoid or stop thinking in the way of greed, hate, and delusion, or the way of cravings and desire, and think in the way of uh, giving, dana. Think in the way of sila, uh, keeping the precept. Think in the way of Doing Samadhi, making the mind calm, thinking in the way of the developing wisdom. These are positive thinking. Will bring peace and happiness to the mind. คําถามข้อต่อไปนะครับจากทาง Facebook Live นะครับคำถามจากคุณปาณีนะครับเวลานั่งเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิ การดูลมหรือการบริกรรมเป็นกายานุปัสนาใช่หรือไม่และเมื่อนั่งไปเรื่อยๆโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแต่จิตยังไปไม่ถึงความสงบขั้นอั ป, ปนาเวทนาขั้นสูงเกิดขึ้นที่ขาควรจะหันมากำหนดควรจะหันมากำหนดเวทนาแทนได้หรือไม่เพื่อระงับปัญหาที่จะเกิด คือก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ทำให้มันไม่เกิดตัณหาก็ใช้ได้ถ้าคิดว่ามาดูเวทนาแล้วทำให้ตัณหาความอยากให้เวทนาหายไปได้ก็ทำไปแต่ส่วนใหญ่คิดว่าคงจะไม่เพราะถ้าเราไปคิดถึงความเจ็บแล้วมันโดยอัตโนมัติมันจะเกิดความอยากให้มันหายเจ็บกันใช่มากกว่า แต่ถ้าเราไม่ไปสนใจมันเช่นเวลาเรานั่งดูภาพยนตร์นี่ปวดท้องฉี่ถ้าเราไม่ไปสนใจมันก็ยังดูภาพยนตร์ต่อไปได้แต่ถ้าเราไม่มีภาพยนตร์ดูเดี๋ยวนั่งทนทนฉี่ปวดฉี่ไม่ไหวเดี๋ยวต้องลุกไปฉี่แต่ถ้าเรามีภาพยนตร์ดูเงี้ยเราไม่ไปคิดถึงเรื่องฉี่มันก็ยังดูนั่งต่อไปได้เพราะเราไม่ไปสนใจชั้นใดก็เหมือนกันเวลานั่งแล้วมันเจ็บก็เหมือนปวดฉี่อย่างเงี้ย ถ้าเรามีอะไรทําเช่นเราอยู่กับพุทโธเราก็บริการพุทโธไปอย่าให้จิตไปคิดถึงถึงการปวดของเวทนามันก็ลืมไปได้พอมันลืมมันก็เลยอยู่กับมันได้อย่างเช่นว่าการเวลาเจ็บเราอยากไปดูมันดีกว่านอกจากว่าคุณดูแล้วสามารถทําให้คุณอยู่กับมันได้ก็ดูไปแต่ถ้าดูแล้วเกิดเบื่อมันเกลียดมันอยากจะให้มันหายมันก็ยิ่งจะทรมานใจขึ้นมาใหญ่ ยังก็แล้วแต่คนที่ปฏิบัติก็แล้วกันว่าจะใช้วิธีไหนก็ได้ถ้าเกิดทุกขเวทนาแล้วไปดูมันแล้วทําให้ใจสงบก็โอเคเลยยินดีด้วยแต่ถ้าดูแล้วยิ่งทําให้จิตเครียดยิ่งยิ่งฟงุ้งยิ่งทนไม่ไหว ย, ยิ่งทรมานก็อย่าไปดูมันดีกว่าสู้มาอยู่กับคําบริกรรมพุทโธดีกว่าอย่าให้มีโอกาสให้จิตไปคิดถึงความเจ็บเลยเพราะมันลืมความเจ็บมันก็จะไม่มีความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไป คำถามจะคุณจิรพัฒนนะครับคำว่าจิตรวมมีลักษณะอย่างไรครับก็มันจะสงบลงไปความคิดปรุงแต่งหายไปเหลือแต่สักแตว่ว่าเหลือแต่อุเบกขาเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจถ้ารวมมากๆร่างกายก็หายไปจากความรับรู้ของใจคำถามจะคุณจาปานะครับ ผู้ปฏิบัติถ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าได้บรรลุขั้นไหนใครจะรับรองให้เพราะเราพูดไม่ได้ถ้าบอกจะว่าอวดเราจะทราบได้อย่างไรคะก็เรารู้เองแหละมัน ส, น ส, นสนาาันติโกการบรรลุธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารเวลารับอิ่มเราต้องไปถามใครไหมว่าผมอิ่มหรือ ย, ยังคุณผมอิ่มหรือยัง คุณจะบ้าหรือเปล่าเวลาคุณอิ่มคุณรู้เองเวลาคุณบรรลุธรรมจิตคุณสงบมีความสุขคุณรู้เองว่าคุณสงบเวลาจิตไม่มีความทุกข์คุณก็รู้เองไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องให้ใครมายืนยันไม่ให้ต้องให้ใครมารับรองแล้วคนที่สงบจริงๆบรรลุจริงๆจะไม่มีความอยากบอกใครถ้ายังจะบอกใครก็แสดงว่ายังไม่บรรลุเพราะความอยากไงอยากบอกเนี่ย ก็เป็นตันหายอย่างตัวหนึง่งอยากใช้ใเขารู้แต่ถ้าบอกเพราะเขาถามนี้ไม่ได้บอกด้วยความอยากอันนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าบอกถ้าบอกเพราะการแสดงธรรมอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมเวลาแสดงธรรมก็ต้องเล่าให้ไปว่าทําอย่างนี้พุทโธพุทโธไปแล้วจิตก็จะรวมสงบนิ่งเป็นอย่างเนี้ยก็ไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้ประกาศว่าเราเป็นเพียงแต่พูดให้ฟังว่าผลจากการปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนี้ คนที่ไม่ได้เห็นผลนี้ก็จะไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็จะเป็นการบอกกลายๆว่าะคนผู้นี้เขาสอนเรา <c oughs> เขาบอกเราเนี้ยเขารู้ <c oughs> เขาเห็นแล้ว <c oughs> เขาถึงมาพูดกัน <c oughs> มาบอกเราแต่เขาไม่ได้มาบอกแบบทางโลวกว่าผมได้สําเร็จขั้นนั้นแล้วสําเร็จขั้นนี้แล้วผมเป็นโสดาลโสดาแล้วอะไรอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นของปลอมเท้านั้น คนที่เขาดุดจริงๆบรรลุจริงๆเขาไม่มีความอยากให้ใครรู้แล้วรู้แล้ววุ่นวายรู้เดี๋ยวมาขอหวยมาขออะไรยุ่งไปหมดเนี่ยเขาไม่บอกใครหรอกเขาจะเก็บตัวเงียบเนี่ยเหือลวงปูรีนั้นไม่เคยบอกท่านบรรลุต้องให้ครูบาอาจารย์บอกนั่นเองเนย่ยไม่มีใครรู้ท่านไม่พูดกับใครท่านไม่บอกใคร ถ้ามีความอิ่มทั้นความสุขมีความพอแล้วไม่เห็นจะไม่อยากไปบอกใครคนที่อยากก็แสดงว่ายังไม่พอเน่ยังอยากให้คนรู้ยังอยากจะให้คนเขายกย่องสรรเสริญออก็เลยไปบอกยังนคนที่รู้จริงๆคนที่รู้จริงๆนี่เขาไม่บอกพระพุทธเจ้านี่ท่านตอนต้นท่านก็ไม่อยากจะบอกใครท่านไม่อยากจะสอนถ้าบอกสอนไปคนมันก็ปฏิบัติตามไม่ได้ แต่หลังจากที่ได้แยกแยะจิตของคนก็มีสี่ประเภทเหมือนบัวสีเ่เหล่าพวกที่ฉลาดพร้อมที่จะรับคำสอนได้ก็มีท่านก็เลยมุ่งไปหาผู้ที่ฉลาดก่อนคือพระปัญจวคี ระหว่างทางก็ไปเจอพราหม์คนหนึ่งพรามว่าไปไหนท่านเป็นใครพระเจ้าบอกเราเป็นพระพุทธเจ้าพรามเขาก็เออดีเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ว่าเออดีไปบอกเขาเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีเขาก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอะไรเป็นใครเงั้นอย่าไปบอกดีกว่าสู้สอนให้เขาเป็นดีกว่าพอมาสอนให้พระปัญจวัคคียเป็นพระอรหันต์เขาก็รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระการเป็นพระอรหันต์นี้เป็นอย่างไรงั้นผู้ที่ฉลาดนี่ก็ไม่มาพูด เปย์ๆหรว่าข้าพเจ้าเป็นพระนู่นพระนี่แล้วเขาจะมาสอนเราแล้วถ้าเราปฏิบัติได้เราได้ผลเราก็จะเป็นผู้มารับรองเขาเองว่า อ, อคนนี้ใช่แน่นอนเนี่ยใครมารับรองพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็พระสาวกทั้งหลายนี่แหละพระหลานหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบรูปเนี่ยวันมาค้าบูชาเนี่ยมากราบพระพุทธเจ้าเนี่ย แสดงว่ามายืนยันมารับรองนี่แหละคือพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเพราะเขาได้เป็นผ้านั้น<ม>เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เองคําถามจะคุณอุไรวันนะครับการสร้างห้องน้ําถวายวัดจะได้บุญอย่างไรครับได้สุขไงห้องน้ําก็สุขค่ะ <laughs> <laughs> <laughs> เวลาเราปวดท้องฉี่เราจะได้เข้าห้องน้ําได้ก็ได้ความสุขวลา ง, งี้ คำถามจ้าคุณดันนะครับจิตเมื่อฝึกมาดีแล้วทำไมถึงมีฤทธิต์ต่างๆได้ครับเช่นการละลึกชาติหรือการรู้ความคิดของบุคคลอื่นเป็นต้น อ, อ๋อนั่นเป็นธรรมชาติของจิตบางดวงไม่ใช่ทุกดวงจิตบางดวงก็ไม่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้การบำเพ็ญจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้จิตทุกดวงสามารถทาได้ แต่การบาเพ็ญเพื่อให้ดำลึกชาติได้หรือมีตาที่ผูทิพย์หรืออ่านจิตใจของผู้ น, นั้นี่เป็นความสามารถเฉพาะตนบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีเหมือนพวกเราก็มีความสามารถเฉพาะตนที่ไม่เหมือนกันบางคนก็เขียนหนังสือสวยบางคนก็คิดเลขเก่งบางคนก็จำอะไรได้ดี อย่างภาษาวอกของพระพุทธเจ้าก็มีความสามารถพิเศษพระพุทธเจ้าก็ยกย่องเป็นองค์องค์ไปพระสาวรีบุตรนี่ท่านยกย่องว่าเลิ่ทางปัญญาไม่มีใครมีความสามารถเลื่ทางปัญญาเท่ากับพระสาวรีบุตรยกให้เป็นอคัครสาวก ข, ขวาเลยส่วนพระโมคัลลานี้ก็มีความเลื่ในทางด้านอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ ดวนพระอา น, นุ์ก็เลิศในทางเป็นผู้ฝ่ายรู้เ ป, เ, เป็นผู้จําจดจําคําสอนได้มากที่สุดคําสอนทั้งหมดที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นี่พระอา น, นุ์จําไว้ได้หมดเลยนี่เป็นความสามารถพิเศษของแต่ละองค์ที่อาจจะเป็นเพราะในอดีตชาติได้เคยบําเพ็ญมาในทางนี้กันก็เลยทําให้เกิดความสามารถพิเศษเหล่านี้ขึ้นมา คำถามจะคุณจิตประพลนะครับการที่พระนําสัตว์มาบิณฑบาตด้วยผิดไหมครับและในการที่พระพูดบอกว่าทํานองเดือดร้อนเงินจําเป็นต้องใช้พระท่านผิดไหมครับเราควรช่วยเหลือไหมเรื่องการนําสัตว์มานี้ก็ไม่ไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์ทำนะเวลาท่านบิณฑบาต ท, ท่านก็ไม่ได้มีสัตว์พามาด้วย แต่เหตุที่ท่านพาสัตว์ไปนี่ไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใดอันนี้ก็มันไม่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องการบินทบาทความจริงพระที่บำเพ็ญจริงๆนี่ท่านไม่ไม่ไม่ควรที่จะมีภาระอะไรต่างๆท่านต้องการที่จะบำเพ็ญให้หลุดพน้นถ้ามีภาระมันก็จะมาถ่วงมาทาให้เสียเวลายังไม่ควรถ้าพูดถึงการบินทบาทนี้ไม่ควรที่จะเอาสัตว์ไปด้วย นอกจากว่ามีเหตุผลว่าไปแล้วเจอสัตว์มันจัดจอนจัดแล้วสงสารมันก็เลยจับมันมาพามันไปกลับไปวัดระหว่างบิณฑบาตอันนี้ก็เป็นแล้วแต่กรณีอันนี้ก็พูดไม่ได้มันมันไม่มีข้อห้ามแต่มันก็ไม่มันก็ไม่เหมาะสมมันไม่ใช่เป็นกิจที่ควรจะทำในระหว่างบิณฑบาตแล้วข้อต่อไปมื่อกี้ถามว่าไงนะ พระมาขอความช่วยเหลือมาขอเหมือนมาขอเงินนะครับคือการจะขอความช่วยเหลือต้องเป็นญาติกันถึงจะขอได้หรือเป็นผู้ที่เขาบอกลงหน้าไว้ก่อนว่าถ้าท่านเดือดร้อนอะไรก็บอกได้อย่างงี้ก็บอกแต่ถ้าอยู่แบบที่ไม่รู้จักกันอยู่ๆก็มาขอนี่ก็ไม่ควรญาติโยมก็ไม่ควรที่จะให้เ็จะเป็นการส่งเสริมให้พระทาผิดเพราะวินยัย เแล้วจะเป็นช่องของมิจฉาทิพย์ได้บางสมัยนี้เขาไม่ต้องบวชกันเขาไปซื้อผ้าเหลืองมาห่มกรสีสะกันเองแล้วก็ถือบาทเดินไปขอเงินขอทองกันชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเป็นพระแท้หรือพระปลอมก็จะรู้แบบว่าเขาปฏิบัติตามพระวินัยหรือไม่ถ้ามาขอเงินขอทองนี้ก็ถือว่าผิดแล้วไม่ใช่เป็นพระแล้วไม่ใช่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ปฏิบัติตามพระวินัยแล้ว ยังก็ไม่ควรที่จะส่งเสริมถ้าญาติโยมอยากจะทำบุตรก็ไปทำที่วัดถ้าไม่แน่ใจว่าพระที่มานั้นเป็นพระที่ถูกต้องตามพระหลักพระธรรมวินัยหรือไม่หรือถ้าอยากจะช่วยเหลือก็คิดว่าให้ขอทานไปก็แล้วกันคำถามจากคุณจันรัตนะครับ โยมมีเรื่องจะถามบ้านโยมเป็นบ้านสองชั้นแล้วเพื่อนบ้านก็มีสองชั้นเหมือนกันค่ะที่บ้านเขาสร้างพระพรมติดกับรั้วหน้าบ้านของโยมเวลาเขาไหว้พระพรมทีไลจิตใจของโยมนี้ไม่ปกติเลยค่ะทำให้เกลียดพระด่าพระต่างๆนานาซึ่งโยมไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยค่ะ จนโยมต้องไปจุดธูปขอขมาพระ <c oughs> และขอพรพระให้ช่วยคุ้มครองโยมและลูกๆของโยมด้วยค่ะไม่ทราบว่ามีวิธีแก้แกไขอย่างไรก็กู่ดพระพระไปไหว้พระพรมนะีไ่ไงเพื่อนบ้านไหว้พระพรมแต่เขากลับไปมีความรู้สึกว่า โกธพระครับพระไหนพระพรมแล้ก็ไม่แน่ใจครับไม่ได้เชื่อไมเกี่ยวอะไรกับเพื่อนบ้านที่ไหว้พระผรมนะมันฟังแล้วมันคงจะเขียนคําถามมาไม่กระจ่างนะงั้นขอขอผ่านไปดีกว่านะเดี๋ยวตอบผิดแล้วจะพระไม่เกี่ยวข้องด้วยไปเกลียดพระทําไมเพื่อนบ้านไปกราบพระผมแล้วก็ไปโกรธพระพระไม่รู้เรื่องรู้ราวกันหน่อยแต่ฟังจากคําถามแล้วน่าจะเป็นว่าโกรธ เกียดพระพรมมากกว่าอ่จะอย่านาคำถามจากคุณตันหาภาวะตัญหานะครับสมาธิที่เป็นอุเบกขาแล้วมันมีโอกาสที่จะข้ามไปได้ไหมขอรับแล้วมันเป็นอย่างไรควรจะไปต่อไหมขอรับหลังจากความสงบนั้นหายไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นประหลาดใจยิ่งนักโปรดชี้แนะด้วยครับ ก็ไม่เข้าใจว่าจะข้ามไปยังไงหมายถึงจะไปต่อเลยคืออุเบกขานี่ก็เรียกว่ารูปฌานขั้นที่สี่เป็นความสงบในระดับที่สี่แต่ยังไม่เป็นความสงบเต็มร้อยถ้าอยากจะสงบมากกว่านั้นก็เข้าไปสู่ขั้นอรูปฌานขั้นที่ห้าขั้นที่หกขั้นที่เจ็ดขั้นที่แปดได้แต่การบําเพ็ญเพื่อเอาสมาธิมาเป็นฐานของปัญญานี้ไม่จําเป็นจะต้องไปถึงขั้นที่ ห้าหเจ็ดหรือแปดขอให้ได้ขั้นที่สี่ก็มีกําลังพอที่จะเอามาใช้ในการทําลายกิเลสตัณหาได้ด้วยอํานาจของปัญญาถ้าปัญญาบอกว่านี่คือกิเลสอุเบกขาก็จะฝืนได้จะไม่ทําตามกิเลสได้ถ้าไม่มีอุเบกขาถึงแม้ปัญญาบอกว่าเป็นกิเลสก็ยังฝืนไม่ได้คนที่ไม่มีอุเบกขาคนที่ไม่มีสมาธิจึงเลิกยากเ เลิกกิเลสเลิกความอยากต่างๆได้ยากทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่ามันเป็นกิเลสแต่ก็ยังไม่มีกำลังที่จะเลิกมันแต่ถ้านั่งสมาธิจนจิตสงบเป็นอุบเบกขาแล้วจะมีกำลังที่จะใช้ต่อสู้กับความอยากได้ถ้าปัญญาบอกว่านี่เป็นตันหาเป็นเป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็จะฝืนมันจะหยุดมันได้้ การปฏิบัติสมาธินี้ไม่ต้องไปถึงขั้นอรูปฌานถึงขั้นแค่ฌาน4ี่คือรูปฌานสี่ที่จิตเป็นอุเบกขาสักแตว่ว่าโรนี้ก็จะเป็นจิตที่มีกําลังที่จะสามารถเอามาใช้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ถ้าปัญญาเป็นผู้บอกว่าไม่ควรทําตามกิเลสตัณหาเพราะการทําตามจะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะหยุดได้ เช่นอยากจะไปเที่ยวถ้าไม่รู้ว่าปัญญาก็จะบอกว่าอย่าไปเที่ยวเที่ยวแล้วต้องเที่ยวไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีสมาธิบางทีก็ฝืนไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปเที่ยวแต่ถ้ามีสมาธิอ่ะไม่ไปเที่ยวก็ได้เพราะจิตไม่หิวโหวยจิตไม่อุเบกขามมีความอิ่มความพออยู่ก็เลิกเที่ยวได้อยู่ตรงนั้น คำถามข้อสุดท้ายนะครับจากคุณน้ำนำโมนะครับลูกเคยแสวงหาครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงมีครั้งหนึ่งไปหาบุคคลท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านได้ปรลุธรรมมานาแล้วแต่เมื่อเจอแล้วลูกกลับไม่ค่อยมีใจศรัทธาและมีการขากลัวบาปก็กลัวถ้าท่านผู้นั้นยังทานอาหารหลังเที่ยงเป็นไปได้หรือไม่ว่าท่านบรลุธรรมจริง ก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน <c oughs> อีกอย่างในการบอกตอนเองก็เป็นข้อสงสัยอยู่อั น, นนะว่าถ้าไม่มีเหตุมีผลที่ต้องบอกไปบอกทำไมมันก็บอกด้วยความอยากอาจจะเป็นเครื่องมือเป็นการโฆษณาคุณสมบัติของตอนเพื่อที่จะได้มีลูกค้ามาเป็นลูกศิษย์ลูกหามาอะไรแล้วก็ผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงนี มักจะไม่หิวกับอาหารกินมือเดียวก็พออยู่ได้ังนั้นก็เป็นที่น่าสงสัยอยู่หมดแล้วใช่ไหมมีใครอยากจะถามยังไหมถ้าไม่มีจะปิดประชมะุมนะก็ขอให้ท่านจงนำวสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ทา่าน